อนโมทนาบุญกับเจ้าของสถานที่เที่เอื้อเฟื้อบ้านจิตสบายให้เป็นที่ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมผู้ที่มีจิตใจฝากไปในธรรมะทุกๆ ท, ท่า น, นที่มาฟังธรรมในวันนี้ ก็เป็นโอกาสดีมาที่นี่ก็รู้สึกอบอุ่นสบายใจมีคนที่อะไรคุณหน้าคุณตาบางท่านก็เพิ่งเจอกันเมื่อวานเนี้ยก็ได้มาเจอกันอีกอถ้าคนที่เดินเส้นทางธรรมเนี่ยมันก็เจอกันบ่อยๆ เจอกันทุกวันเจอกันทุกเวลาก็ว่าได้เราจะพบกันได้ไม่ใช่เฉพาะทางด้านร่างกายอย่างเดียวจิตใจเราก็เจอกันได้ไม่ได้เจอกันในฝันเราสามารถพบกันได้หน้าที่ความรู้สึกตัววันนี้ก็ให้เอา เอาใจอาจิตเอาใจเนี่ยมาฟังทรรมกันมาแล้วก็อยากจะทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นสาระที่ฟังแล้วนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันถ้าฟังแล้วมันใช้ไม่ได้ก็เป็นโมฆะไปแต่แต่คิดๆิ ด, ดเอาแล้วก็แก้ปัญหาเราไม่ได้ เอาใจฟังธรรมคือฟังธรรมด้วยสติรักษาจิตจใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการฟังก็จะเกิดประโยชน์จะเกิดรสชาติ <S 2> <S 2> <ถ>ของการฟังเรียกว่าธรรมารสรสของธรรมะมันทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มรสของธรรมะไม่เหมือนอาหารกายอาหารกายนี่ มันอิ่มอาหารใจในี่มันไม่อิ่มยิ่งทานยิ่งอร่อยยิ่งฟังยิ่งอร่อยยิ่งปฏิบัติยิ่งสนุกทำให้สุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็พ่อยดีไปด้วยก็จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เอาไปใช้ได้ทันทีมีหลักธรรมะ ในทางพุทธศาสนาอยู่ข้อหนึ่งที่จะมานำเสนอก็คือเหตุเหตุของความสุขเหตุรุงความสุขเนี่ยมันเป็นหลักธรรมข้อหนึ่งที่ชาวพุทธเนี่ยควรจะสนใจเอาไปใช้คือการสร้างเหตุรุงความสุขเนี่ย ใครอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขลองปล่อยวางเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านไปแล้วในอดีตนะแล้วก็เลิกคิดถึงพิตกังวลนะกับสิ่งที่ยังไม่เกิดในวันข้างหน้า ในสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันยังไม่ถึงและยังไม่มีด้วยลองเลิกกังวลตรงอนาคตสิแล้วลองมาดำเนินชีวิตอยู่กับการทำหน้าที่การงานในปัจจุบันด้วยการเจริญสติเราก็จะพบความสุขณปัจจุบัน ไม่ต้องรอต่อตายแล้วหรือรอพรุ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ถือเป็นความฝันเป็นสิ่งที่ล่มละลายไปแล้วเมื <c oughs> ่อวานนี่มันล่มละลายไปแล้วมันไม่มีแล้วที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือความทรงจำของเรา เพราะความทรงจาความจำได้หมายรู้นี่แหละมันจึงเหตุการ์มันจึงทำให้เหตุการ์ต่างๆที่ในอดีตเนี่ยมนเกิดขึ้นในปัจจุบันได้มันไม่มีแล้ว <c oughs> แล้วก็อนาคตข้างหน้ามันแค่ความฝันนันเองความไฝ่ฝันความเพอ้อฝันในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ก็อย่าไปคิดถึงมันเนี่ยมันยังไม่มีหรอกพรุ่งนี้มีไหมพรุ่งนี้มีไหมเน่ยใครเห็นพรุ่งนี้บ้างไม่มีหรอกเนี่ยสิ่งที่เป็นจริงที่สุดก็คือณปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ที่เรากำลังฟังกำลังพูดเนี่ยอันนี้คือชีวิตจริง เนี่ยชีวิตจริงอยู่ตรงนี้อย่าไปเอาเรื่องราวในอดีตเนี่ยมาเหนี่ยวั้างจิตใจเราเนี่ยจนไม่มีความสุขในปัจจุบันนะอย่าไปเหนี่ยวล้างเรื่องราวในอดีตมาเราจะไม่รุ่งเรืองชีวิตจะไม่พัฒนาเพราะมัวแต่ห ม, ม, มกมุ่นกับอดีตเนี่ยแหละอันนี้เหตุผงความสุขนะ <S <S เหตุผงความทุกข์เนี่ยก็เหมือนกัน ในทางตรงข้ามเห็นื่องความทุกข์คนที่โมต่คิดหมกมุ่นกับเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วในอดีตอ น, นี้ทาให้ชีวิตในปัจจุบันได้เป็นทุกข์เลยแล้วก็ชอบคิดวิตกกังวลในสิ่งที่ยังไม่มาถึงเรื่องของอนาคตวิตกกังวลอยู่นั่นแล้วเพราะสิ่งนั้นมันยังไม่มี แล้วเวลามันถึงอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่ร้ายแรงที่เราคิดก็ได้มันเพียงแค่คาดคะเนต่นนั้นเองแต่ถ้าเราหลงไปกับอนาคตไปคิดไปกังวลเข้าเนี่ยเราก็จะหาความสุขในปัจจุบันไม่ได้เนี่ยเรามัวแต่ไปยึดมั่นในอดีตในอนาคตเอามาทับทัปัจจุบันจนจิตใจในปัจจุบันนี่มันเศร้าหมอง เราก็จะมีมโอกาสพบความสุขได้เลยในชั่วชีวิตนี้มันเป็นเหตุของความทุกข์นะต้องคอยสังเกตดูให้ดี <Yeah. S 1> จะบอกให้เราลืมมาดีซะปล่ยวามันซะหันมาสนใจกับปัจจุบันให้มากที่สุด <Yeah. S 1> มันจึงจะพบกับความสุขได้สุขในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสุขที่ ที่พร้อมเสิร์ฟนะประสบที่พร้อมเสิร์ฟได้ทันทีเลยแต่มาต้องหาอะไรทำนะชีวิตต้องมีอะไรทำถ้าไม่มีอะไรทำแต่ละวันเนี่ยจิตมันก็จะฟุ้งซ่านไปเลื่อนลอยไปเดี๋ยวความทุกข์ก็จะมาเยือนต้องหาอะไรทำ แล้วก็เอาจิตใจจดจ่อตรงนั้นเอางานที่เราทำเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของชีวิต จ, จิตใจเราซะเราก็จะมีความสุขอยู่กับการทํางานทําได้ทันทีเลยงานอะไรก็ได้ไม่จะเป็นต้องงานอาชีพก็ได้เป็นงานที่เราชอบงานอดิเรกเนี่ยที่เราชอบทําแล้วมีความสุขทําแล้วไม่เบียดเบียนใคร แล้วนี่เป็นงานที่พัฒนาจิตใจเราเลยยิ่งดีใหญ่เลยงานเจริญสติในยุคจําวันเนี่ยเป็นงานที่ดีที่สุดเลยนะมันพัฒนาจิตพัฒนางาน <c oughs> พัฒนาชีวิตไปสู่ความหมดปัญหาเนี่ยมันก็น่าน่ า, น, า, น, าน่าทำแต่ถ้าใครยังเจริญสติไม่ได้ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรหรอกก็เอาเครื่องอยู่อย่างอื่นไปก่อน <c oughs> อย่าอยู่เฉยถ้าอยู่เฉยอยู่ว่างอะไรแล้วก็ จิตมันจะหมกมุ่นคุ่งคิดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็ไปโรคซึมเศร้าฟุ้งซ่านเศร้าหมองแล้วก็ไม่พ้นโรงพยาบาลแล้วก็ยาแ ก, โก้โรคซึมเศร้าอย่าไปมัวซึมเศร้าเลยมันจะอายแมวแมวมันยังสนุกสนานนี่ผมเคยเห็นนะเห็นคนที่เขาไม่มีภาระชีวิตเขา ว, าว่าง เขาไม่มีภาระไม่มีครอบครัวมีแต่งานทำแต่เขาไม่มีความสุขกับการทำงานประจำเขาไม่มีวิธีการหาความสุขง่ายๆโดยการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสุน <You> ัขแล้วเลี้ยงสุนัขเป็นลูกเลยนะเคยสังเกตนโอ้เขามีความสุขกับการเลี้ยงสุนัขเป็นลูกเพราะเขาไม่มีลูก ก็มีความรักที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยไม่รู้จะแบ่งให้ใครก็แบ่งให้สุนัขรักสุนัขเหมือนรักลูก <c oughs> รู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักอบอ้อมอาลีอ่อนน้อมสนุกสนานกับสุนัขพากินพานอนพาเที่ยวพาอาบน้าผูกพันกับสุนัขมากเขาก็มีความสุขทุกวันนี้ก็มียังเห็นอยู่เออก็มีความสุขกับสุนัขตื่นเช้า สุนัขมันตื่นเช้าเขาก็ตื่นด้วยเนี่ยก็มีความสุขสุขในปัจจุบันด้วยทุกครั้งที่เขาได้เล่นกับสุนัขเลี้ยงสุนัขเป็นลูกก็ยังดีกว่าคนที่มีลูกเนี่ยเลี้ยงลูกให้เป็นสุนัขเห็ <c oughs> ไนไะเลี้ยงลูกให้เป็นสุนัขเนี่ยมาปล่อยให้ไปกัดกระถูว ไม่ได้สอนไม่ได้่อนไม่ได้สั่งเราสร้างปัญหาสร้างปัญหามาในปัจจุบันนะเนี่ยโน่นสร้างปัญหา ต, อตลอดชีวิตด้วยซ้ำไปเเลี้ยงลูกไปเป็นสุนัขนะซึ่งมันต่างกันนะเลี้ยงสุนัขเป็นลูกนี่มีความสุขในปัจจุบันแต่เล้ยลูกเป็นสุนัขเนี่ยทุกข์ในปัจจุบันไปถึง จนสิ้นชีตเลยก็น่าสงสารเนี่ยอย่าอยู่ว่างๆเนีหาอะไรทําแล้วก็เอาจิตใจผูกไว้กับงานสิ่งที่จะผูกกับงานได้นั้นคือสติสติผูกจิตไว้กับงานได้คาว่าผูกนี่ไม่ใช่ว่าผูกแน่นนะจะว่าเกาะดีกว่า เ, าเรียกว่าเกาะ ก็แตะเอาไว้กับงานกับสิ่งที่เราทำอะไรก็ได้ mm. yeah. ง, งั้นจิตมันจะไม่มีเครื่องอยู่มันจะฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างเปล่าโดยที่เราไม่ทำอะไรเลย yeah. พอจิตว่าเมื่อไหรก่ก็มันจะมีความวุ่นวายเข้ามาแทรกถ้าไม่มีสติก็จะรู้ไม่ทัน mm. mm. นอกจากคนที่เข้าฌาน มีสติเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตจิตใจแล้วก็พวกนี้จะพ้นจากปัญหาไม่ทุกพวกนี้จะไม่ทุกและสิ่งสิ่งหนึ่งนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเราอยากจะพ้นทุกอยากจะไม่ทุกขในปัจจุบันแล้วก็มีความสุขต่อไปเนี่ยมีข้อหนึ่งสําคัญมากเป็นประเด็นสําคัญคือเราต้องรู้จักยอมรับยอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้ ยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราณปัจจุบันนี้การยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเท่ากับเป็นการปล่อยวางนะเป็นการปล่อยวางเนน้อยถ้ายอมรับได้มากมันก็ปล่อยวางในมากยอมรับน้อยก็ปล่อยวางน้อยต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราณปัจจุบันนั้นถ้าคิดต่อต้านเนี่ยต่อต้านไม่พอใจพยายามปลักไสเนี่ยไม่ยอมรับในปัจจุบันเนี่ย เราก็จะมีความทุกข์อยู่ล่ำไปเพราะสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราต้องยอมรับความสูญเสียความพ ล, ลาดพลาดความป่วยไข้ <c oughs> ความร่รลำลายมีหนี้สินต้องยอมรับมันการยอมรับนี้ไม่ใช่ว่าไปยอมแพ้มันหรือยอมจำนวนยอมรับแล้วก็รู้จักที่จะปรับจิตปรับใจเรียนรู้ ที่จะอยู่กับมันให้ได้ถ้าเรียนรู้ที่อยู่สิ่งหลงนั้นได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความจริงนั้นทุกมากมันก็จะน้อยลงสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ก็ได้กลายเป็นประสบการณ์กลายเป็นความรู้สำหรับเรากลายเป็นเครื่องอยู่ที่มีประโยชน์สำหรับการภาวนาด้วยซ้ำไปแต่ก็ต้องเห็นใจนะ มันยอมรับยากเหมือนกันไอู้้พูดง่ายบทีทำจริงมันก็ยากที่จะยอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราในปัจจุบันมันสาเหตุมันเกิดจากว่าเรามักจะยึดติดเกิดการเปรียบเทียบชีวิตอดีตกับชีวิตปัจจุบันเราเปรียบเทียบเพราะอดีตเนี่ยมันหวานชื่นมันสดชื่นมันดี มีแต่ความหวาดมีแต่ความสำเร็จแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนอดีต <c oughs> มีแต่การเปลี่ยน <c oughs> แปลงนะโดยเพราะความแก่เป็นตน <c oughs> ้นกาลังวังชาโรคภัยไข้เจ็บอดีตมันไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นเรามีปัญหาอาดีตไม่เคยมีปัญหาปัจจุบันไม่มีปัญหาสำหรับเราอีกอดีตมันเป็นชีวิตขาขึ้น <c oughs> ปัจจุบันชีวิตขาลงก็ลงเร็วซะด้วยปรับตัวไม่ทันมันก็จึงยากที่จะยอมรับมันได้เพราะเรายึดติดอยู่กับภาพเก่าๆในอดีตจนลืมความจริงที่มีจริงในปัจจุบันแล้วยิงไปนึกถึงอนาคตพรุ่งนี้วันอื่นต่อไปเดือนหน้าปีหน้าโอ้โหมันยิ่งไดดูแย่ลงกว่าเดิมอีกเอาแค่ชีวิตขาลงนี่มันก็ลงเร็วอยู่แล้วใช่ไ โอ้ถ้าลงที่สุดจะเป็นถึงไหนเนาะมันจะปรับตัวไม่ตันก็น่าเห็นใจเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเราคิดเปรียบเทียบนะกับอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยยิ่งเปรียบเทียบเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะหาความสุขไม่ได้เลยอย่าไปเปรียบเทียบต้องรู้จักตัดตอนชีวิตบ้างชีวิตต้องตัดตอนนะจริงๆมันตัดตอนกันอยู่แล้ว แต่ความคิดของเราเนี่ยมันไม่ยอมตัดตอนตัดตอนชีวิตอดีตก็คือตอนหนึ่งใช่ไหมนนอนาคตก็ไว้อีกตอนหนึ่งมันยังไปไม่ถึงแต่ตอนนี้เราจะทำอะไรให้มันดีที่สุดจะพัฒนาอย่างไรมันเริ่มต้นจากตอนที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละมันต้องตัดตอนชีวิตไว้สามการะชีวิตอดีตชีวิตปัจจุบันกับชีวิตอนาคต จะได้ทำว่ามันตัดตอนกันอยู่แล้วไหมแต่ความคิดเนี่ยมันโยงมาเป็นเรื่องเดียวกันมันก็เลยไม่จบไม่ติ้นเป็นสายเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันตัดของมันอยู่แล้วมันตั้งอยู่แวบเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปใครเคยคว้างหินไปในอากาศบ้างเราคว้างขึ้นไปเนี่ยนั่นมันคือตอนอดีต มองแล้วปัจจุบันเนี่ยมันนิ่งเดียวๆนะได้ต่อลงนะมันมีช่วงปัจจุบันอยู่นิดเดียวช่วงที่ค้างอยู่แล้วก็ลงมันขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ลงช่อปัจจุบันมันก็ตั้งอยู่แบบเนี้ยมันนาฬิกานะมันเดินมาจากกดีตงแป๊บๆปัจจุบันแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปไปอนาคตปัจจุบันแม้แวบเดียว้แต่นาฬิกาบางเรือก็ปัจจุบันนานเหมือนกันนะ มันไม่มีทานมันตั้งอยู่นาในปัจจุบันนี้มันนานอย่างความสุขมันนานนานทุกข์ก็นานกก น, นานที่ได้มันก็นาฬิกาตายชีวิตเราก็เหมือนกันนะ่ะปัจจุบันมันช่วงแวบเดียวนะ่ะอีตอนที่หินมังค่าเราจะลงมาเนี่ยอีตอนเนี้ยตอนสําคัญมากจะต้องใช้ประโยชน์ให้มีสาระได้ชีวิตนี้เ่ยมันต้องอยากตัดตอนชีวิตบ้างคนทุกคนเนี่ย มันมีความเป็นกลางอยู่แล้วคนทุกคนเนี่ยชีวิตเป็นกลางอยู่แล้วเป็นตรงกลางเป็นตรงกลางกลางระหว่างคนที่มันโชคดีกับเราแล้วคนที่มันโชคลายกับเราเราทุกคนเนี่ยมันเป็นตรงกลางเนี่ยลองนึกดูดีเถอว่าไอ้คนที่โชคดีกับเรามันมีไหมมีนะในความรู้สึกของเราและที่โชคลายกับเรามีไหมแล้วเราก็ต้องเป็นตรงกลางเพราะนั้น เราสามารถพัฒนาไปสู่กลายเป็นคนที่โชคดีก็ได้หรือปล่อยประละเลยชีวิตเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกก็ได้แต่โชคร้ายที่สุดในโลกดินยังหาไม่เจอนะแต่คนที่ร้ายๆกันลราก็มีนะอย่างผมเนี่ยเขาว่าที่เนี่ยโอ้ผมนี่โชคร้ายสุดเลยนะเดินก็เดินไม่ได้นะโอ้โชคร้ายแต่คุณดูจริงๆเนี่ยคนโชคลายกับผมก็มีนะบางคนนนอนนิ่งขยับคอยก็ไม่ได้เลย หายใจยังเอกตัวเองยังไม่ได้แล้วแค่กับพริบตาท่า น, นเองไม่รู้จะรอดหรือเปล่า <c oughs> คนที่โชคร้ายกับเราก็มีนะีเรายังโชคดีคนอีกหลายคนนั้นอย่าอย่าไปคิดอะไรมากเราเป็นอยู่ตรงกลางนั้นยังมองเห็นคนที่โชคดีสุดในโลกไม่ได้เลยอยางหาคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกไม่ได้เลยนะทั้งอดีต และก็ปัจจุบันและอนาคตด้วยบางคนบอกว่ามีพระพุทธเจ้าไงโอ้พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกนี้พระุทธเจ้าเป็นบุคคลที่อยู่เหนือโลกเหนือโลกเหนือโลกเ๋ยวเปรียบเทียบพ้นโลกไปแล้วไปในโลกที่มันต้องวัดกันในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกไปแล้วยามาวัดเลยแต่ท่านมายื่นมือมาช่วยโลกแต่ท่านก็ไม่ได้อยู่ในโลกนะจิตใจท่านอยู่เหนือโลก ต้องตัดตอนชีวิตมันจึงจะเกิดการยอมรับได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราที่เป็นจริงในปัจจุบันนีตัดตอนมาอยู่กับปัจจุบันซะก่อนถ้าเรายอมรับไม่ได้นะเรายอมรับกับความจริงตัวเราไม่ได้นี่นะนอกจากจะทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์มากขึ้น โอกาสที่จะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนั้นมันก็ห่างไกลทุกทีอาจจะหมดหวังไปเลยถ้าเราไม่รู้จักยอมรับแต่ถ้าเรามีความกล้าพอมีความยุติธรรมพอเรายอมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราตามความเป็นจริง <c oughs> นอกจาก เราจะมีความผ่อนคล า, ายทหน้าจิตใจแล้วเรายังมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาชีวิตจากปัจจุบันเนี่ยให้กลายเป็นดีได้ตั้งแต่ปัจจุบันไปสู่อนาคตด้วยซ้ำไปมีโอกาสก้าวไปด้วยความมั่นใจไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้าซึ่งมันรออยู่ข้างหน้าก็มีปัจจุบันมันก็ได้แล้วข้างหน้ามันก็ได้มากก็ดี นี่คือประโยชน์ของการยอมรับมันจะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ ม, นนมีนี่คุณยายคุณยายอายุแปดิบสี่นะเนี่ยเป็นคุณยายของคุณหมอแจ็กกี้นี่แหละ <c oughs> คุณยายอายุแปดสิบสี่นะที่นี่มีใครอายุเกิน8ปดิบสี่บ้างโอ้ยังหาไม่เจอเลยนี่แสดงว่าไม่รอดมาถึงวันนี้ใช่ไหม <c oughs> เนี่ยคุณยายเนี่ยเาอยู่ปาิสี่นะเนี่ยเพิ่งเจอกันเมื่อวานเนี่ยเนี่ยเป็นรุ่นคราวแม่ผมแต่เขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์ผมเอาเป็นคุณแม่กันแล้วกันนะคุณแม่คุณยายเขาเคยมาเล่าผมฟังว่าเขามีความทุกข์ใจมากเศร้าจิตเศร้าใจเพราะว่าการจากไปของสา ม, มีซึ่งเป็นคนดี รักในความดีของสามีคือคุณตาเป็นคนดีเป็นตัวอย่างกับลูกนะและทำประโยชน์ได้กับสังคมด้วยเขารักแล้วก็คิดถึงอารายาวอวรนนะกับสามีที่แสนดีจากไปคุณยายนึกถึงที่ไรก็ไม่เคยมีความสุขนึกถึงที่ไรก็น้ำตาไหลทุกทีเป็นน้ำตาร้อน ร้อนเพราะว่ามันเกิดจากความเศร้าหมองบีบคั้นจิตใจจะเป็นไหนก็จะมีภาพคุนตาเนี่ยวันนี้มาด้วยไหมแหมเนี่ยติดอยู่ที่ใจเนี่ยเป็นล็อกเก็ตติดอยู่ที่ใจนะบอกติดที่ใจนะแล้วทำความดีตามคุณตาทุกอย่างเนี่ยุญยาคุณตาชอบดื่มวน์กุญยาก็ต้องดื่มบ้าง เพื่อเราลึกถึงสามีวะแต่ดื่มไม่มากนะแค่ครึ่บเดียวแต่วันไหนคิดถึงมากก็ต้องดื่มมากหน่อยอ่าคุณยายไม่ต้องดื่มก็ได้เนคุณตาเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะถ้าไม่ได้จากเราหมาหรอกเนี่ยอยู่ที่ใจเราเราลึกถึงความดีของท่านเนี่ยคุณตาก็อยู่ในจิตใจเราเรียบร้อยแล้วอยู่ในภพภูมิเดียวกันคือในจิตในใจเนะ บอกว่าอย่าไปนึกถึงในเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านไปแล้วอดีตมันผ่านไปแล้วไม่เป็นเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้แล้วปัจจุบันเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับคุณตาดีกว่าทำความดีเนี่ยสืบสารต่อความดีของคุณตามาดูแลลูกหลานให้ดีนี่แม่งงานงานคุณตายังไม่จบล้วก็ทำแทนคุณตายังไม่บรรลุธรรมเราคนหนึ่งละจะต้องบรรลุธรรมแทนคุณตา ถ้าเราไมา่บรรลุอา้าลูกเราหลานเราทําต่อไปนะสืบเนื่องต่อไปพืชเชื้อของเราจะต้องมีคนได้คนหนึ่งนะบรรลุทำก็ได้นะนอนต่อเนะีนะ่ฮะท่าเลยเลิกคิดถึงอดีตเลยนะเลิอกอะไรวอนถึงอดีตนะอยู่กับปัจจุบันนะเดี๋ยวนี้มีความสุขมากเลยมีความสุขมากกว่าเดิมเลยเดี๋ยวนี้นึกถึงกุญตาก็มีน้ําตาไหลแต่เป็นน้ําตาเย็นมีความผิติ มีความสุขอ น, นันตาเย็นน้ำตาที่เย็นกุทิตสวงส่วนได้กุณตา <c oughs> สอนลูกหลานลูกหลานคนไหนมัวแต่บุญอดีตอย่าไปคิดนะสอนคุณยายสอนลูกหลานอย่าไปคิดถึงอดีอย่าไปคิดถึงอดีตจนลูกหลานจําติดหูติดใจว่าอ้อกุณยายให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบัน ลูกทุกคนก็ทําตามแล้วต่อไปลูกก็จะมีความสุขตามแบบคุณยายอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้แก่แบบไร่สาระแก่แล้วมีสาระเป็นตัวอย่างเป็นร่มโพ ร, ร่มไสไม่ใช่ร่มตาลร่มมะพร้าวร่มโพร่มไสใครไป น, นอนใกล้ตรงก็เย็นร่มตาลร่มมะพร้าวนี่นอนข้างใต้เนี่ยสติต้องรู้ตัวเสมอนะไมร่รู้ลูกไหนมันจะหล่นลงมาลูกหลานเข้าใกล้ตี๋ไรก็โดน ด่าทุกทีว่างันนะอต่นี้ไม่ยิ้มหลานเข้ามาก็ยิ้มลูกหลานห้อมล้อมอย่างนี้ก่อนตายก็ไม่เหงาเพราะชีวิตอยู่ไม่เหงามีลูกหลานห้อมล้อมอย่าไปลำคาญอย่าไปลาคาญลูกหลานแต่ว่าเราเป็นล่มโพล่มใสใครใครก็อยากจะมาใกล้ถ้าได้ใครมาใกล้ต้องยิ้มเอาไว้ก่อนยิ้มแบบไม่มีความหมายก็ยิ้มไปเถอยังมีสลายกับโลกนี้บ้าง นะยิ้มไม่ต้องโกรธโกรธไม่เป็นแล้วเวลาเหลือน้อยโกรธมามากแล้วเสียเวลาโกรธเวลาเหลือน้อยแล้วคือเวลาข้างหน้านะมันเหลือน้อยแล้วจะทุกข์ทำไมให้เสียเวลาเราทุกข์มานานแล้วเวลาที่เหลือนเนี่ยขออยู่อย่างมีความสุขสักหน่อยอยู่กับปัจจุบันอย่ามีความสุขสักหน่อยนะะนีย่เราใช้เวลาข้างหน้าเป็นประโยชน์แท่านี้จะไปทุกข์ไปโกรธไปเศร้าไปเกลียดเสียเวลาชีวิตมันลาทำไม สุขสมัยใหม่มันต้องมีความสุขต่อไปเรื่อยๆเีอยอย่าเสียเวลาไปทุกข์อยู่เลยเ น, นี่ยอันเนี้ยคือเป็นชีวิตที่น่าจะเป็นตัวอย่างเนีย่ยมีสาระแต่อย่าลืมว่าลมโพลรร่มใสเนี่ยมันต้องมีนกมันมาเกาะแล้วมันก็ได้เกาะได้อาศัยบางทีมันก็ต้องขี่รถบ้างทำให้เป็นลายหลอกทนได้ล่มโพลรร่มใส่ทนได้ อย่าน้อยใจอย่าหงุดหงิดนะอย่าน้อยใจร่มโพธิร่ำใจต้องโอ้ไม่เป็นไรแล้วใครมาตำหนิเราบ้างว่าเราบ้างไม่เป็นไรหรอกร่ำโพธิ์ร่ำใจก็ถูกนกขี้บ้างไม่เป็นไรห้อกนะนินด่อยนิน่อ ย, อยใช่ไเนี่ยอันนี้มันเป็นความสุขนาเนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะนั้นมันเป็นหลักอยู่เลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความสามารถสามารถที่จะปรับตัวปรับใจได้ ในแทบทุกสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์นั้นจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ตามจะมีความเศร้าหมองพลัดพลากสูญเสียผิดหวังป่วยไข้แม้กระทั่งพิการมีหนี้สินล้นพ้นตัวสิ้นเนื้อประดาตัว แต่คนทุกคนสามารถปรับจิตปรับใจได้กับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแล้วก็โลกต่างๆไม่ช้าก็เร็วใช่ไหมไม่มีใครเป็นทุกข์แต่เกิดมาจนตายหรอกทุกคนมาปรับตัวได้และต้องยอมรับความจริงยิ่งปรับตัวง่ายมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่ากำลังมีความทุกข์อยู่ยังแสวงหาความสุขไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกอยู่ต่อไปเถอะ เราก็จะเคยชินกับความทุกข์นั้นว่าเออมันมันเคยเบงทุกข์จนมันอยู่ทุกข์ยัยงไงมันก็เลยโอ้เป็นธรรมดาของเราเพราะโลกเนี่ยมันแสดงความเป็นธรรมดาขเราว่ามันมันไม่เที่ยง ม, มีแต่การเปลี่ยนแปลงการเวลาต่างๆที่เราอดทนอยู่กับมันต่อไปเนี่ยมันจะรักษาแผลใจเราได้การเวลารักษาแผลใจการเวลาช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเราอีกหลายอย่าง อดทนการเวลามันก็จะพาสิ่งนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะอย่าไปทอดท้ายอย่าหมดกําลังใจนะทนอีกนิดเดียว อ, อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งทนอีกนิดหนึ่งจนตายแล้วก็ทนจนตายก็ได้ขันติบาลมี <c oughs> ความอดทนทําให้เกิดสติขันติทําให้เกิดสติเคยสังเกตไหมเวลาเราตั้งใจอดทนอะไรสักอย่างเดี๋ยวมันมีสติเกิดไอตัวสติเดี๋ยมันจะเรียนรู้ในความอดท น, นว่าโอ้มันเป็นธรรมดา เรื่องบางอย่างเป็นธรรมดาตอนแรกเราคิดว่าเราทนต่อไปเออเป็นธรรมดาปรับเท่ากับเราปล่อยวาง ม, มันเลยกลายเป็นธรรมดาของชีวิตความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพลากความสูญเสียความผิดหวังโอ้เป็นธรรมดาของชีวิตอย่างนั้นเองคนทุกคนปรับจิตปรับใจได้อันนี้คือท่าแท้ของมนุษย์ทุกคนแต่ว่าบางทีเราไม่ต้องทน การเราทนอยู่แล้วแต่บางทีไม่ต้องทนมากแล้วก็ได้เราต้องรู้ว่าสาเหตุของความทุกข์อย่างหนึ่งที่เจอจากอดีตรหรืออนาคตนี่แหละมันมีสาเหตุอย่างหนึ่งคือไอ้อะไรความสัญญาสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยมันมักจะแสดงตัวมาทุกครั้งในเรื่องราวที่เราไม่ชอบใจมันเห็นไหมพอสัญญามันปรุงแต่งขึ้นมา การจำได้ไหมายรู้มันก็จำมาได้ใช่มพอจำไได้ทีไรเนี่ยมันก็ถูกสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งปรุงต่อไปเป็นเรื่องเป็นราวไอ้สองตัวนี่สำคัญมากสัญญาความจำได้กับสังขารการปรุงแต่งมันทำงานสืบต่อกันมันจะไม่ปรุงอะไรมาก่อนนะมันจะมีสัญญามาบอกให้ปรุงเป็นเรื่องเป็นราว ทั้งสัญญาและสังขารเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าใช่ไหมขันห้าไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเขาก็ต้องทําหน้าที่ของความไม่เที่ยงนะเขาก็ทําหน้าที่ขอความเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้นะเมื่อเขาจะเกิดเขาก็เกิดเมื่อเขาจะปรุงเขาก็ปรุงเมื่อเขาจะดับเขาก็ดับของเขาเองอย่างนั้นเองมันเป็นเรื่องของเขา เรื่องของสัญญาสังขารไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเป็นเรื่องของเราเมือ่อไหร่เก็ทั้งสัญญาสังขารเราก็ต้องแบกมันไปถ้าเป็นเรื่องของเรานะถ้าเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องสัญญาโอ้ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยรับรู้รับทราบเขาไวา้นั้นสองอย่างเนี่ยที่มันทำให้ใจเราเป็นทุกข์กับเพราะไอตัวสัญญาที่มันลึกได้ แล้วภาษาที่มันรับช่วงปรุงแต่งต่อเป็นความคิดเป็นความคิดเขาต้องทําหน้าที่นะถ้าเราจําอะไรไม่ได้เนี่ยดีไหมถ้าเราคิดอะไรไม่เป็นเลยดีไหมไมีดีไหมไอ้ที่ส่วนไม่ดีเราไม่เอาเจ้าส่วนดีมันไม่ได้ต้องยอมรับทั้งส่วนที่ดีและก็ไม่ดีจิตเราจึงจะเป็นกลางอย่าไปแทรกแส ง, งเขารับรวบทราบเขาไว้อ๋อเป็นเรื่องของเขาเนาะ มันไม่ชื่เรื่องของเราจะปรุงก็ปรุงไปยังเคยยกตัวอย่างว่าเราจะห้ามขโมยไม่ให้มันขโมยของได้ไหมห้ามไม่ได้หรอกใครห้ามขโมยได้บ้างแต่เราเจ้าของบ้านดูแลบ้านให้ดีปิดบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็เฝ้าอยู่ดูแลบ้านอย่าทิ้งบ้านไปไหนขโมยเขาก็ทาหน้าที่ขโมยแต่เขาอาจจะไม่มาขโมยบ้านเราก็ได้ เราไปห้ามขโมยไม่ให้ขโมยของเนี่ยเราผิดหน้าที่ของเรานะหน้าที่เจ้าของบ้านก็ดูแลบ้านจะไปห้ามขโมยเราไปจะห้ามขันห้าไม่ให้มันปรุงแต่งเกิดเป็นทุกข์เราห้ามไม่ได้ไมันเป็นเรื่องของกันห้าเขาต้องทําหน้าที่เขาเร า, าห้ามกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในใจเราได้ไหมไหนก็ห้ามกิเลสได้บ้า กิเลสเขาต้อหน้าที่ดิกิเลสก็มีหน้าที่อะไรทําให้จิตเศร้าหมองเขาขายันทําหน้าที่มากกิเลสทําให้จิตเศร้าหมองเนีเดี๋ยวมันก็แสดงความโลภมาโอ๋จิตก็เศร้าหมองอึดอัดขัดเคืองกังวลกระวายใจกิเลสโทสะมันแสดงตัวเขาบางทีจิตมันก็หลงลืมโอกิเลสโมหะมันทําหน้าที่ของเขามันถูกของเขานะอาจจะไม่ถูกของเรามันเรื่องไปอย่างก็ต้องให้สิทธิ์เขาทำหน้าที่ ให้กิเลสก็ทำหน้าที่กิเลสห้ามขอไม่ได้กิเลสมีห้ที่ทำให้จิตเศ้าหมองแต่ถ้าเราไปห้ามกิเลสเนี่ยแได้ว่าเราไปเพิ่มความเศร้าหมอยกับกิเลสอีกเนี่ ย, เ, ยเพราะกลัวกิเลสจะเศร้าหมองระวังให้ดีนะหน้าที่ของเราคือสติปัญญาเฝ้าดูจิตรักษาจิตเนี่ยดูแลจิตให้ดีให้กิเลสมันมาทำหน้าที่แล้วให้มันผ่านไปซะบ้านเราไม่ต้อนรับนะ อย่าไปห้ามกิเลสทำที่ในจิตอย่าไปบังคับมันแต่คอยรู้มันถ้ารู้ทราบเท่ากับรักษาบ้านองจิตให้ปลอดภัยรู้มันเพราะฉะนั้นสังขารหรือสัญญามันเป็นหน้าที่ต้องต้องทำของเขาเราก็แค่แลรับรู้รับทราบเอาไวา้โดยใจที่เป็นปกติให้รู้ให้ทันความคิดรู้ให้ทันอารมณ์ที่มากระทบจิตรู้ให้ทันแขกที่มาเยือนบ้านเรา รู้ให้ทันเราจะได้เอาชนะชนะกิเลสชนะความคิดต่างๆที่มันพาวราฆะโทสะโมหะ ม, มสุจิตใจเราได้ต้องมีสติรู้ให้ทันเราจะชนะความคิดต่างๆได้นี่วิธีการที่จะเอาชนะความคิดเอาชนะกิเลสเราต้องมีสตินะตัวเดียวคือสติที่จะรู้ทันมัน เอาชนะด้วยการรู้ทันไม่ใช่ไปฆ่ามันไม่มีแค่ฆ่ากิเลสได้หรอกถ้าฆ่ากิเลสกิเลก็หมดโลกนมันฆ่าไม่ได้แต่รู้ทันแค่รู้ทันกิเลสมันก็หนีหน้าไปแล้กกิเลสกลัวการรู้ทันความคิดมันกลัวการรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันแล้วมันเราก็มันก็คิดอยู่ในใจเราแต่ถ้ารู้ทันเนี่ยความคิดคือความคิดจิตคือจิตมันโคละอันกันใช่ไหมต้องรู้ทันมัน วิธีการเอาชนะความคิดก็คือเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ ย, ยสังเกตนะเวลาจิตมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปห้ามอย่าไปห้ามจิตไม่ให้มันคิดอย่าไปห้ามเขาไม่ทาหน้าที่คิดให้เขาคิดอย่าไปต่อต้านอย่าไปปฏิเสธต้องยอมรับในความคิดนั้นให้ได้ การยอมรับนี่ไม่ใช่ไปเป็นกับมันยอมรับว่าอ๋อมันคิดเป็นธรรมดาเนาะใจเราจะเริ่มเบาเลยนะถ้าการต่อต้านการบังคับเนี่ยใจเรามันเครียดมันเป็นกิเลสแล้วมันเข้าไปในความคิดเรียบร้อยแล้วยอมรับมันซะยอมรับแม้กระทั่งความคิดนั้นทําให้จิตใจเราเจ็บปวดทําให้เราปวดร้าวต้องยอมรับให้ได้ถ้ายอมรับไม่ได้นี่มันมันร้าวแล้วแตกเลยนะมันร้าวแล้วแตกเลยยอมรับได้เนี่ยไอ้ความปวดร้าวของมันเนี่ย ยอมรับคือการรับรู้รู้ปั๊บเนี่ยเดยมันก็หายไปไม่ต้องทําอะไรนะเรามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต่อต้านไม่บังคับไม่ห้ามแต่รู้รู้ทันเท่านั้นเองสิงนั้นมันก็จะดับไปนะสติมียที่รู้ทันความคิดไม่ได้ห้ามความคิดหรือฆ่าความคิดสติมียที่รู้ทันกิเลสไม่ได้ห้ามไม่ได้ฆ่าแค่รู้ทัน แล้วมันก็ดับไปแล้วมันจะหมดไหมหมดเหรอเดี๋ยวมันก็มาอีกเ <laughs> <laughs> พราะเรายังไม่ตายนี่จิตมันยังไม่ดับไปมันมันยังไม่ตายมันก็ต้องคิดเตยอาหารของจิตก็คือความคิดนั่นแหละหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยรักโกรธเกียกลัวเป็นอาหารของจิตเป็นหน้าที่ของเขาแล้วก็รู้ให้ทันรู้ทันมันก็ดับไปแล้วมีอีกไหมมีอีกก็รู้อีกเ <laughs> นี่ยเป็นการฝึกรู้จิต รู้เท่าทันความคิดจะรู้จิตนั้นต้องรู้จักความคิดก่อนรู้จักบริวารของจิตก่อนจะรู้เรื่องน้ําแข็งจะรู้เห็นไอระเหยเนี่ยจะเห็นดวงไฟก็ต้องเห็นความสว่างก่อนรู้เท่าทันอาการของจิตคือความคิดนึกบุงแต่งรู้ทันเนี่ยการรู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันเป็นความเพียนเครียกเป็นความเพียนเนี่ยเป็นอาตาปี เป็นสติมาเป็นสัมปชัญโนเป็นความเพียรที่รู้ทันความคิดพลุู้ทันบ่อยๆเนี่ยพอุู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดการรู้แจ้งเป็นปัญญาเลยนะเรารู้ทันสิ่งไหนบ่อยๆเนี่ยมันเกิดการรู้แจ้งในสิ่งนั้นแหละเป็นตัวปัญญาลูกมันดื้อมันโซนเรารู้เมนทันมันก็ดื้อซนนั่นแหละแต่ถ้ารู้ทันปั๊บมาเกิดปัญญาอ๋อทําไมเด็กมันจิงดื้อเด็กมันทำไมจิงซนโอธรรมชาติของเด็กมันต้องเป็นอย่างนั้นเองเริ่มรู้ทัน รู้ทันแล้วก็จะรู้แจ้งว่าอ๋อความคิดเนี่ยมันมีชั่วขณะหนึ่งใช่ไหมมันมีได้มันก็ไม่มีละมันเกิดได้มันก็ไม่เกิดละนะเรียกมันเกิดดับมันไม่เที่ยงอะความคิดอ๋อมันพอสุดท้ายพอมีแล้วมันหายไปนี่มันไม่มีตัวตนอยู่จริงนี่ความคิดมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอมันเกิดปัญญารู้แจ้งเสียเวลาจะไปห้ามมันไปยึดมันไปบังคับมัน แค่เราูบรับทราบตอนนั้นแล้วก็ปล่อยวางสติทำหน้าที่รู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดฝึกบ่อยๆมันจะเกิดการรู้แจ้งเป็นปัญญาว่าเอากรมันไม่ได้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงหรอกสีเวลาที่จะไปห้ามไปบังคับมันก็รู้ทันเนี่ยมันเกิดเป็นปัญญาแต่ถ้าเราจะคิดเราจะวางแผนแล้วก็ใช้ความคิด คิดด้วยสติตั้งใจคิดบางทีต้องใช้ความตั้งใจคิดก็คือคิดด้วยสติคิดได้คิดด้วยสติแล้วมันคิดไม่ยาวคิดมีสาระเป็นระเบียบระบบคิดเราไม่เครียดแล้ววางได้จบได้ถึงเวลานอนก็นอนหลับได้สบายไม่ต้องนอนไม่หลับเพราะความคิดแต่เรารู้ทันซะเราใช้ความคิดย้ายความคิดมันมาใช้เรา เนี่ยสติรู้ทันบอ่อยมันเกิดการรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกเนี่ ย, ยอันนี้เป็นการเอาชนะความคิดได้นะความคิดแม้ว่าจะหนักหนามากมายเป็นกระแสขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้ามีสติเกิดแล้วก็สติเอาอยู่นะสติเอาอยู่นะเอาชนะมันได้เนี่ยมาเรื่องของเราก็คือถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ อยากให้ชีวิตมีความสุขจิตใจผ่องใสเราก็ต้องมันที่จะเจริญสติเข้าไว้เจริญสติเข้าไว้ทุกเวลาทุกโอกาสเจริญสติเข้าไว้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันมีกำลังให้จิตมันตื่นแล้วก็ไปรู้ทันในความคิดแล้วก็ปล่อยวางมันได้เกิดปัญญา mm. ก็เรื่องเดียวเรื่องการเจริญสติ เราสามารถเอามาทำได้ในชีวิตปัจจุบันของเราเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตที่แท้จริงด้วยคือการมีสติถ้าชีวิตใครขาดสติเนี่ยจะไม่มีชีวิตนะ <c oughs> หลงลืมเลื่อนลอยร่างกายอยู่บ้านจิตสบายใจลอยไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้อดีตอนาคตเราคือสร้างศพที่นั่ง แข็งทื่อไม่รู้ใจอยู่ไหนไม่เดี่ยวกับเนื้อกับตัวเขาเรียกว่าคนขาสติลืมเนื้อลืมตัวทางการฝึกสติเนี่ยเราพูด ก, กันมาหลายครั้งแล้วว่ามันต้องมีฐานมีฐานให้สติเข้าไปตั้งรู้ฐานนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นที่รองรับอย่างแข็งแกร่งถ้าสติตั้งอยู่บนฐานนี้ได้เนี่ ย, ยจิตมันจะ ตั้งมั่นอยู่ได้โดยที่ไม่เลื่อนลอยไปมันต้องมีฐานฐานของสติเนี่ยไม่มีอะไรีเท่ากับกายของเรากายเนี่ยเอาเป็นฐานซะก่อนมันเป็นฐานที่มองเห็นได้ชัดสัมผัสได้มันเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเอากายเนี่ยมาเป็นฐานให้สติเข้าไปตั้งรู้สติเข้าไปตั้งรู้บนฐานสติมันพาอะไรมาตั้งรู้รู้ไหมพาจิตมาพาจิตมาเกาะไว้ที่ฐาน ถ้าขาดสติเนี่ยจิตมันก็เลื่อนลอยไปหาที่เกาะไม่ได้เนี่ยกายเป็นหลักเป็นฐานที่มั่นคงหน่อยคือเกาะแล้วไม่ลอยไม่หลุดเนี่ยใครเคยใครเคยว่ายน้ำมากว่ายน้ำที่มีหลักมีกกอนต้องเกาะหลักไว้ก่อนถ้าไม่เกาะหลักบางทีแล้วก็จมเกาะหลักเอาไว้เรา้ไม่จมนต้องมีหลักให้จิตมันเกาะด้วยการมีสติเข้าไปตั้งรู้กาย เพื่อป้องกันจิตมันเลื่อนลอยไปในอดีตในอนาคตพอจิตยอยู่กับกายเนี่ยมันปลอดภัยมันอบอุ่นแล้วมันอยู่ได้นานแต่พอมาเลื่อนลอยไปมันก็กลับมาตั้งรู้ได้ง่ายต้องมีสติเป็นเครื่องที่ผูกโยงเอาไว้<ม>เอาฐานกายเป็นหลักทําฐานกายให้มันแข็งให้มันชํานาญให้มัน เ, เป็นที่พึ่งได้ แล้วต่อไปเรื่องของจิตเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายจิตมันก็จะมาเข้าแถวให้เราดูอาการของจิตอาการของความคิดก็จะมาเข้าแถวให้ดูเพราะเราตั้งรู้อยู่บนกายแล้วอะไรผ่านมาก็รู้อะไรผ่านมาก็รู้ไม่ต้องไปหาดูจิตไม่ต้องไปหาดูอารมณ์หรอกเดี๋ยวมันก็มาให้รู้ถึงไม่หาดูมันมันก็มาดูเราอยู่แล้วเราก็คอยตั้งรู้ดูมันอยู่เห็นม like มันง่ายที่เราไม่ต้องไปทาอะไรกับอะไรแค่มารู้ตัวกับฐานกายเคลื่อนไหวแนรุ่วัตเทียนเห็นไหม นะยกมือพลิกรู้สึกนะเอามือเคลื่อนไหวขึ้นก็รู้ทุกครั้งที่มือมันเคลื่อนก็รู้ไหนะที่นี่มีใครเจอสตินหะลวงพ่อเทียนบ้าง <c oughs> แต่ทุกคนนะใช้แบบหลวงพ่อเทียนหมดแหละแต่เราไม่มีรูปแบบที่เป็นอย่า ง, งานั้นแต่ในตัวที่เข้าไปรู้ก็ ค, คือตัวเดียวกันคือความรู้สึกตัวไหนะใครปฏิบัติทำภาวนาไม่มีสติบ้าง ไห <c oughs> นใครภาวนาโดยการที่หลงลืมตัวบ้างไหนใครภาวนาที่ไม่ได้ดูกายเลยหรือไม่ได้ดูจิตเลยคือไม่ได้ดูตัวเราเลยมีไหม <c oughs> ไม่มีหรอกมันเรื่องเดียวกันแหละแล้วไปแบ่งว่าอันนี้แบ่งโดยโดยจริตโดยชื่อโดยคำพูดแต่เนื้อหาอการภาวนาตัวเดียวกันต้องมีสติมีความรู้สึกตัวเป็นประธานในการพัฒนาจิต ต้องเริ่มด้ต้นในการมีสติแล้วลงท้ายด้วยการเกิดปัญญาแล้วก็ปล่อยวางในที่สุดใช่ไหมถ้าไม่มีสติเนี่ยปัญญาเกิดไหมก็เป็นปัญญาเกิดจากความคิดคิดตละลพัสอย่างคิดให้ถ้าผลเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้อใครเป็นอะไรใครตายไปเกิดในภพภูมิไหนมันก็คิดน่ะคิดแต่ <laughs> ไ ม, ม่ไม่มีรากฐานความจริงแต่คิดเอานั่งเทียนอืม มันต้องมีสติเป็นเป็นพื้นฐานแต่เราวิธีการพูดอาจจะต่างกนนันคือเรื่องเดียวกันแต่พูดต่างกันเหมือนเข้าเมืองเมืองเดียวกันแต่มันมีหลายช่องหลายประตูเข้าได้หลายทางแต่ท้ายก็ต้องไปเจอกันที่ตรงกันเจอ ท, ที่ที่เดียวกันนะเวลาเราเคลื่อนไหวในเอวบต่างๆเนี่ยการทำในรูปแบบพลิกมือแล้วก็รู้สึกยกมือแล้วก็รู้เอามือเข้าก็รู้พลิกมือรู้ เป็นจังหวะจังหวะหลวงพ่อเทียนนะท่านสอนเป็นจังหวะจังหวะเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ14จังหวะเวลารู้เนี่ยรู้เป็นขณะขณะเคลื่อนก็รู้ได้มันหยุดก็รู้ได้มีการเคลื่อนมีการหยุดจะเรียกว่าจังหวะเป็นภาษาสมมุติมีกลางเคลื่อนมีการหยุดการหยุดแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการตัดความคิดเป็นการทําให้สติมันเกิดชัดเจนได้เพราะนัต้องเคลื่อนเป็นจังหวะ แล้วก็รู้เป็นขณะขณะเก็บเกี่ยวได้เป็นกอบเป็นกรรมในรูปแบบสิทธิจังหวะของหลวงพ่อเทียนนะใครอยากจะใช้วิธีนี้ก็ได้มันก็เป็นการฝึกสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวเอาฐานกลายเคลื่อนไหวนะเป็นฐานที่ตั้งของสติ <c oughs> ที่ตั้งรู้อยู่เนี่ย <P> เพื่ออะไร <P> เพื่อจิตมันตั้งมั่นไม่ให้มันเลื่อนลอยมันเลื่อนลอยไปก็รู้สึกตัวใหม่มันเลื่อนลอยไปก็รู้สึกตัวใหม่ อันนี้เป็นรูปแบบริการเดินจงกรมเนี่ยเดินก็รู้ก้าวก็รู้ว่าเดินก็รู้รู้ในอิริยาบถเดินเนี่ยหลวงพ่อเทียก็สอนเดินก็รู้ว่าเดินพระุทธเจ้าก็สอนเดินก็รู้ว่าเดินแล้วแล้วใครไม่สอนบ้างเดินแล้วรู้ว่าเดินมีไหมมีเดินแล้วก็หลงว่าเดินนี่มีเดินแล้วก็รู้แม้แต่มีคำบริกรรมก็ตามเดิน ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีคำมำบริกรรมก็ตามมันก็เริ่มต้นจากการรู้ก่อนใช่ไหมรู้ก่อนแล้วคืมีหนอใช่ไหมไหนใครหนอก่อนไม่รู้บ้างหนอมันคือคิดเป็นสมมุติถ้ารู้ก่อนเนี่ยเป็นปรมัดแล้วต่อโดยสมมติเพื่อทําให้จิตมันตั้งมั่นยิ่งขึ้นคำมำบริกรรมมันช่วยจิตมันตั้งมั่นยิ่งขึ้นใช้ได้แั่เงี้นสุดท้ายแล้วพอมีเข้าถึงผู้รู้แล้วเนี่ยคำบริกรรมมันไม่มี มันมีเพราะเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องเกาะเป็นหลักให้เกาะกันจิตมันเลื่อนลอยเท่านั้นเองมันต้องรู้แล้วก็จึงมีหนอไงต้องรู้แล้วจะมีหนอตามต้องรู้สึกก่อนรู้ตัวก่อนมันจะมีคําบริกรรมตามหลังจะพุโทโธกันเมืออกันต้องรู้แล้วพุโทโธแม่พุโทโธเลื่อยเปิดยเป็นนกแก้วนกขุ น, Nokia, นทองโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็เป็นเป็นรู้แบบ Nokia, นกแก้วนกขุนทองมีพุโทโธอย่างนั้นไม่ใช่ มันต้องรู้แล้วก็มีหน่อยไหมอัญญาโกตัญญารู้แล้วหนออัญญากตัญญารู้แล้วหนอพุทธเจ้าตัดเอาไว้เห็นไหมอัญญากตัญญามีดวงตาเห็นธรรมในวันที่พระพุทธเจ้าแสดงมัชฌิมาปฏิปทาเทศกันแรกปฐมมัทเธอนาเรื่องทางสายกลางจนอัญญาโกตัญญ์เป็นโสดาบันจึงเปล่งว่า อัญญาสิวัตก โ, โกธโยโกธญะรู้แล้วหนอต้องรู้ก่อนแล้วใครบริกรรมหนอนีมันต้องรู้เดินก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้ทําอะไรก็รู้ตัวคำว่ารู้คือรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวกายอยู่ไหนใจอยู่นั่น <c ười> กลายเคลื่อนไหวใจก็รู้ด้วยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเอาฐานกาย ให้จิตมันตั้งมั่นซะก่อนพอจิตตั้งมั่นมีกําลังแล้วเรื่องของจิตใจเนี่ยมันจะเห็นเองเวลาจิตมันคิดอ้อก็รู้ทันกายเคลื่อนไหวใจก็รู้ได้เวลาจิตมันคิดใจก็รู้ทันเออรู้ทันกันเห็นไหมใจรู้ใจใจรู้กาย <c oughs> มันก็เหมือนกันแหละเรื่องเดียวกัน <c oughs> แต่การรู้เนี่ยสำคัญนะสิ่งที่ถูกรู้นี่ไม่สําคัญหรอก ไม่สำคัญกักาจิต ท, ที่เข้าไปรู้เนี่ยสำคัญกว่าเพราะการปฏิบัติเนี่ยเราพัฒนาจิตผู้รู้หรือพัฒนาอารมณ์ที่ถูกรู้ <c oughs> มันต้องรู้ให้ชัดมันต้องโกรธมากๆเออมันก็พัฒนากิเลสการพัฒนาจิตภาวนาคือการพัฒนาจิตผู้รู้ให้มันรู้ให้มันรู้ไม่ใช่ว่าให้อารมณ์มันชัดให้รู้มันชัด <c oughs> ถ้าอารมณ์ชัดมันจะรู้ไม่มีแล้วมันจะหลงแล้ว ถ้าจิตรู้มันชัดกว่าอารมณ์มันก็เล็กลงอันไหนชัดกว่าอันนั้นใหญ่โตยิ่งใหญ่ในจิตในใจเราพัฒนาจิตผู้รู้คือขยันรู้ไปเถอะต้องรู้แบบเป็นปกติเป็นรู้แบบธรรมชาติเป็นปกติอย่ารู้แบบจี้เวลาเดินเนี่ยก็รู้อยู่ตรงเดินจี้รู้แบบจี้เนี่ยมันจะเป็นการเพ่งมันจะเป็นการเครียดไปอย่ารู้แบบจี้ รู้แบบเบาๆรูๆ้แบบเบาเรู้จี้นี่หมามันมันอัดเต็มรอยเลยมันเพ่งแล้วก็เคลียดรู้เบาเบา ก, การวางใจคือรู้เบาๆรู้แบบผ่อนคลายรู้รอบรอรู้รอบรอมันจึงจะรอบรู้รู้รอบรอบรู้อย่างรู้รอบรอบเวลาเคลื่อนไหวก็รู้ว่ามันเออปัจจุบันนี้มันกำลังเคลื่อนปัจจุบันนี้กำลังเดินปัจจุบันนี้ตัวเรากาลังเดิน เป็นปัจจุบันว่าเรากําลังทําอะไรว่ากายกำลังทําอะไรรู้ตรงนั้นแหละรู้ที่ปัจจุบันว่าเรากําลังทําอะไรก็พอแล้วเก็บตรงนี้ก่อนทําตรงนี้ก่อนแล้วต่อไปมันจะเกิดการละเอียดเห็นจิตที่ละเอียดเห็นกายที่มันละเอียดไปเองมันต้องเริ่มจากรู้แบบหยาบง่ายๆแบบหลงๆแบบนี้แหละแล้วต่อไปมันจะรู้แบบละเอียดแบบไม่หลงมันต้องเริ่มจากของจริงในจิตใจเรา อย่าไปบงังคับไปจะต้องให้มันชัดอย่างนั้นมันเกินความสามารถของจิตจิตเราหลงมาก่อนเนี่ยมันนั่งรู้แบบรู้บางหลงบังลืมบังแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆเป็นการพัฒนาจากสิ่งที่ยากไปสู่ละเอียดจากยากเนี่ยไปสู่ที่มันง่ายๆเรียกรู้รอบรอบรู้รู้รอบนี่มันก็เหมือนอย่างอะไรสามเลาสิบองศาใครเดินทีวีมั่งรู้แบบสามเล่าสิบองศา รู้รอบๆตัวเรารู้ว่าอะไรกาลังขึ้นไหวรู้รอบเนี่ยรู้แบบทีวีสามเล่าสี่ภาษารู้รอบๆอย่าไปจี้ถ้าจี้มาแล้วมันเครียดมันรู้รอบนี่มันผ่อนคลายผ่อนคลายนีรู้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้รอบๆเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมคือพร้อมที่จะรู้ ไม่ใช่ว่ารู้แต่กายแล้วเสียงก็ไม่ได้ยินใครเรียกก็ไม่รู้เนี่ยรู้แบบจี้แหละถ้ารู้รอบๆอบเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงแต่เราก็ไม่ได้สนใจเราจะรู้กายเคลื่อนไหวกลิ่นอาหารเอาอะไรลอยเนี่ ย, ยมันโชยมาแล้วก็รู้ไม่ใช่ว่าเดินรู้ตัวการเดินแล้วไม่รู้เลย ว, ว่ากลิ่นอะไรมาจะเหยียบขี้หมานะต้องรู้รอบๆอบรู้ทั่วพระหัสนมีสติเป็นหน้ารอบ คือรอบรู้เขาเรียกรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเงี้ยมันทำให้จิตตื่นมันกันความหลงลืมได้จิตมันตื่นถ้ารู้เพ่งเนี่ยจิตไม่ตื่นนะเอาจิตเข้าคุกมันก็เครียดถ้ารู้รอบเนี่ยโอ้จิตมันผ่อนคลายเมื่อผ่อนคลายมันก็ตื่นออกมาจากสิ่งที่มันเข้าไปยึดติดคือกายที่มันเคลื่อนไหวมันตื่นมาตื่นออกมาจากความหลงตื่นออกมาจากความง่วงไม่เข้าไปทรงไม่เข้าไปแช่ รู้รอดแล้วมันรู้แบบตื่นมาเนี่ยตื่นรู้เหมือนกินซูชิอ่ะใครกินซูชิมากโอ้ซูชินี่จิมวัซบิหนักมากมานะกินเข้าไปแล้วอืมตื่นรู้ได้ซูชิเคยไหมไหนใครเคยกินซูชิมากโอ้มันจิมวัซบีมากมากนะโอ้โหมันตื่นลองตอนนั้นไม่ไม่รู้ตัวสิกินเข้าไปแล้ ว, ว <c oughs> ใใ <c oughs> จึ๊ ก, ก, ก, นะนน ก, ข, กขึ้นสมองเลยอ่ <c oughs> ถ้ากินแม่รู้ตัวโอ้โซูชิมันตืนต่นสดชื่นนะเติร์ลุในซูชิแต่ว่าไปเดี๋ยนี้ซูชินี่มันช่วยแอบแมวาซาบินี่มันช่วยรักษาคนที่เป็นโรคหัวใจได้นะเอะใช่ไหมคนโรคหัวใจสมัยนี้ก็ต้องกิ น, กนอะไรกินในวาซาบิหน่อยๆ อ, อ้วมันช่วยแต่ผมว่านะไอคนที่ซึมเศร้าอ่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะน่าจะกินซูชิจิ้มวาซาบิ มันจะเลิกซึมเตือนรู้ด้วยซูชิโอหายซึมเศร้าเลยจะกินสูชิหรือจะกินยาลองดิจิตแพทย์อยากจะแนะนำอย่างเลยบอกจิตแพทย์ไปให้คนไข้นะไอเขากินสูชิจิมบะไซบีมากๆดูซิมนจะซึมเศร้ามันรู้ไปกลัวจะเตือนรู้ในความซึมเศร้าเตือนมาเห็นความซึมเศร้าหลุดพ้นด้วยสูชิลองดูนะเนี่ยมันเตือนผมนเคยกินดีมากกินแล้วมันสดชื่นตื่น เช่นเดียวกันนะเนี่ยถ้าเรามีสติรู้รอบๆ ร, รู้ธรรมดาแบบผ่อนคลายเบาๆเนี่ยแล้วจิตมันตื่นออกมาเองเพราะไม่มีอะไรไป บ, บังคับจิตปจิตมันทำหน้าที่เป็นจิตจิตมันก็เป็นจิตโดยที่ไม่ได้เป็นกายไม่ก็เป็นทรงอยู่กับความง่วงความหลงแล้วก็กายที่เคลื่อนไหวหรือกิเลสต่างๆมันตื่นออกมาตื่นเนี่ยมันเป็นทั้งรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบ เวลากายเคลื่อนไหวใจก็รู้เวลาจิตมันคิดสติมันก็รู้ทันเองว่าจิตมันตื่นมันมีกําลังมันก็รู้ทันอารมณ์นั่นให้ทําบ่อยๆนะภาวนาการขยันรู้ขยันรู้ขยันรู้ภาวนาไม่อยาขยันคิดไม่ต้องใช้ความคิดใช้ความรู้สึกล้วนๆรู้สึกไปขยันรู้อยัรู้นึกขึ้นได้ก็รู้นึกไม่ได้ก็ช่างมันนึกไม่ได้จะว่าไงจิตเป็นนัตตาบางทีก็ไม่ให้มันไม่ให้มันรู้บางทีมันก็ มันที่มันก็ไม่รู้นะเออไม่นไรเรื่ขึ้นได้ก็รู้สึกเรืไม่รู้สึกความรู้สึกตัวเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่รู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวเ ies, นี่ยคิดเท่าไหร่มั น, มนก unders, ็ไม่รู้อะมัวแต่คิดนะมันนึกได้ก็อ้อรู้ตัวอ้อเนี่ยอยู่นี่เนี่ยเรานะจิตมันคิดตรงนี้เนี่ยเวลาโกรธนี่มันโกรธเนี่ยบางทีอาจจะโกรธไปนานไม่เป็นไรหรอกก็ต้องทํำหน้าที่โกรธไปแต่เรารู้ได้โกรธทีแเรารู้ได้รู้ทีหลังก็ได้ เมื่อรถไฟที่มันวิ่งมันมีหัวขบวนกลางขบวนท้ายขบวนอบางทีเราเห็นหัวขบวนบางทีเห็นกลางขบวนที่หันและเห็นหลังขบวนท้ายขบวนเสติมันมาไวก็เห็นหัวขบวนคือความคิดสติมากลางๆก็เห็นตรงกลางขบวนสติมาช้าหน่อยก็โกรธไปแล้วเห็นความโกรธมันผ่านไปไปครับมันมันแล้วแต่สตินะแล้วแต่จิตมันจะผลิตสติขึ้นมานะเรามาคับไม่ได้มันหลงลืมแล้วกันแล้ว ลืมได้ทำไมชีวิตเราจะลืมหลงลืมบ้างไม่ได้หรืออย่าไปเครียดแล้วก็รู้ใหม่ป็นยากเลยมันหลงหนึงแล้วกันแล้วไปทำไมเราจะลืมบ้างไม่ได้ทำไมเราจรึงจะหลงบ้างไม่ได้เห็นว่าอะไรเลยมันผ่อนคลายในความสุขแบบนี้นะนั่นแหละคือการเรารู้เท่าทันของจิตว่าบังคับบัญชาไม่ได้บางทีมันก็หลงบางทีมันก็รู้มันห ล, ลงก็ออทาที่หลงก็หลงเลยแต่เรารู้ใหม่ มันที่จะรู้ใหม่หลงแล้วรู้ใหม่รู้ใหม่เรื่อยๆชีวเราก็จะใหม่เออย่าคิดว่าการรู้เทียบเล็กเทียน้อยเนี่ยมันไล่ค่าไล่สระไล่ประโยชน์มันมีประโยชน์พารู้แต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกแต่ละครั้งเนี่ยมันหมายถึงมีสติสติเป็นธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมพอเรารู้ปั๊บเนี่ยจิตเราเป็นกุศลทันทีเลยนิดหนึ่งก็เป็นกุศลนิดหนึ่ง ท่า น, นิดหนึง่งบ่อยๆมันต่อกันเป็นเส้นโอ้กุศลยาวกุศลต่อเนื่องนี่เพราะฉะนั้นรู้บ่อยรู้รู้เรื่อยเดี๋ยวมันกุศลมันเกิดขึ้นในจิตเรื่อยดีกว่าเราไม่รู้เลยเนี่ยอักุศลเกิดขึ้นตลอดรู้บ้างกุศลเกิดบ้างแล้นั่งฟังหลับไปเราไม่รู้อ้ไม่หลักุศลเกิดตื่นมาเอา้ารู้กุศลเข้าทันทีนะทุกครั้งที่เรารู้เนี่ยจิตเป็นกุศลอย่างเช่นเวลาเรากระพริบตาเลึอดื่น้นําลายไปลําคอเนี่ย ถ้าเรารู้ตรงนั้นปั๊บเนี่ยจิตเป็นกุศลทันทีเลยจิตปกติแล้วปัจจุบันแล้วละความชั่วทำความดีจิตขาวรอบแล้วณปัจจุบันนั้นนี่คือหัวใจพุทธศาสนาเวลามันโกรธทีหนึ่งอย่าโกรธฟรีๆอย่าไม่พอใจฟรีๆทุกเปล่าอาุณพระเปล่าปรากฏปั๊บรู้อ๋อนี่จิตมันโกรธนี่จิตเป็นกุศลทันทีนะพริก่า จากอารมณ์กูดเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขาวรอบไปกุศลทันทีเลยเป็นปัจจุบันเนีเป็นปัจจุบันเป็นปกติทันทีละความชั่วทำความดีจิตขาวรอบทันทีเป็นหัวใจพุทธศาสนาทันทีเลยเนีนิดเดียวก็มีประโยชน์นะนีฝึกบ่อยๆเธอะนีฝึกบ่อยๆเธอะถ้าเราฝึกรู้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะแล้วมันหลงไปไปไปละรู้ใหม่ลงไปรู้ใหม่นี่หน่อยเนี่ยสะสมเรื่อยเนี่ย ความทุกข์ในจิตใจเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะพอรู้แต่ละครั้งเนี่ยมันมีสัมมาสมาธิมีสมาธิจิตมันเริ่มมีกําลังมีความตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยรู้แต่ละครั้งมันตั้งมั่นขึ้นมานีรู้แต่ละครั้งมันก็จะพัฒนาตัวมันเองไม่ต้องไปช่วยจิตพัฒนาให้รู้สึกเนี่ยมันพัฒนาตัวมันเองความทุกข์ก็จะลดน้อยลงชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นชีวิตจะมีปัจจุบันมากยิ่งขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเรานึกไม่ออกอ้าทำไมเราเคยโกรธเดีด๋ยวนี้ไม่โกรธซะและ้วเมื่อก่อนเราเคยเครียดเดี๋ยวนี้ไม่เครียดซะและ้วเมื่อก่อนเราเคยทุกข์เดี๋ยวนี้ทําไมมันไม่ทุกข์เนี่ยชักแปลกใจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตนั้นรู้ทีเล็กเน้อยก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยเก็บเกี่ยวไปเถอะขยันรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเถอะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบในแต่ละวันเนี่ยรู้อยากเคลื่อนไหวปีๆอยาคิดปีๆอยาทุกข์ปีๆรู้ทันมันเรื่อยๆ มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าไปท้อแท้อย่าไปหมดกำลังใจอย่าไปคิดว่าทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นเขาทำได้เรื่องของเขาเราทำไม่ได้มันเรื่องของเราเราก็ทำของเราเรามันต่างกรรต่างวันละไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เนี่ยของเรามันต้องของเราเนี่ยของเขาก็เขาดีแล้วของเราต้องของเราต้องมั่นใจในการการทำของเราเราต้องมีศรัทธาอย่าไปท้อแท้อย่าไปทอดอะไร ศรัทธาอะไรไหมศรัทธาว่าธรรมะเนี่ยสามารถดับทุกข์ได้ศรัทธาในหลักธรรมแล้วศรัทธาในตัวเราเราคนหนึ่งละที่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้เหมือนกันถ้าศรัทธาในธรรมะไม่ศรัทธาตัวเราเนี่ยมันก็ไร้สาระมันต้องแเราก็ทําได้ไมั้เรามีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เห็น ไ, ไหมมีศรัทธาแล้วมันก็จะมีความเพียรเพียรที่จะเจริญสติเข้าไปเรื่อยๆ อย่าไปทอดแท้อย่าไปทอดถอยอย่าไปหมดกำลังอย่าไปทอดอะไรทอดอะไรนี่มันไม่ได้อะไรทอดไข่ยังได้กินไข่อย่าไปทอดอะไร <description> มันไม่ได้อะไรหรอกมันจะได้อะไรเพราะเราทอดอะไรไปแล้วทอดไขส่สิได้กินไข่ได้ไข่กินด้วยนะอย่าทอดแท้นะไปนี่แบบไปเรื่อยเลยเนี่ยมันนันสรุปแล้วเนี่ยวันนี้ <id> <c oughs> สรุปแล้วว่าเหตุของความสุข ก็คืออย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้หมอบมุ่นกับอดีตทิ้งอดีตที่มันผ่านไปแล้วซะมันผ่านไปแล้วแล้วก็อย่าไปกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันอาจจะไม่มเีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอนาคตที่เรากังวลเรื่องอะไรตา่างๆอาจจะไม่มีก็ได้หรือมีแล้วอาจจะเราอาจจะแก้ปัญหานั้นก็ได้อย่าไปกังวลอนาคตแล้วก็อยู่ในปัจจุบันหาอะไรทําในปัจจุบันด้วยสติเป็นเครื่องอยู่ซะ ชีวิตเราจะมีความสุขแล้วก็ ต, ต้องรู้จักยอมรับยอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้ยอมรับให้ได้ทุกมันจะไม่เกิดขึ้นไอ้ที่ยอมรับไม่ได้ใจก็จะเป็นทุกข์ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ที่อยู่ความจริงนั้นให้ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์และจะมีความสุขมาแทนที่เนี่ยเนี่ยมันสรุปอยู่เพียงแค่นี้แหละแล้วก็พูดที่ไรก็เนี่ยมาพูดที่บ้านจิตสบายที่ไหนก็ตามเนี่ย พูดแบบท้าให้ทําให้เจริญสติให้ไว้เจริญสติอยู่กับปัจจุบันเขาไว้มันจะหาทุกข์ไม่เจอ <c oughs> ท้าให้ทำมันต้องเริ่มทําก่อนนะ <c oughs> ถ้าไม่เริ่มทำเนี่ยเมื่อแต่คิดเอาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลจากการกระทำํำ <c oughs> เราเริ่มทำซะก่อนทําซะก่อนส่วนผลจะเป็นยังไงนั้นมันขึ้นอยู่กับผลละ อาจจะดีอาจจะไวอาจจะชะมันขึ้นอยู่กับผลแต่เราเริ่มทำซะ ก, ก่อนเราจะรู้ว่าผลจะเป็นยังไงเพราะที่เราเริ่มนะแต่ขอบอกว่าถ้าเราลองทําดูแล้วจเจริญสติเนี่ยปฏิบัติธรรมภาวนาฝึกสติบ่อยๆใ้ต่อเนื่องนี่แหละมันจะเกิดปฏิหารเป็นปาฏิหารความรู้สึกตัวปฏิหารนี่ไม่ใช่ว่าห่อเหินเดือนอากาศอันนั้นผู้เจ้าไม่แต่ละเตือน หรือทายจิตทายใจคนอื่นดูหมอดูอะไรผู้เจ้าไม่แต่ละเสริญเจ้าสรเสริญปาฏิหาริย์ที่ว่าสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้เปลี่ยนจากทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนจากหลงเป็นรู้เนี่ ย, ย, ยองค์คุลิมาเห็เนไหมผู้เจ้าโปรดจากคนที่เป็นโจนรร้ายกลายเป็นอรหันต์ดังปาฏิหาริย์ด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละเทวทัตมีปาิหารมากๆ มูขเจ้าโปรดไม่ขึ้นลงนรกไปเลย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นะนะปาฏิหาริย์ของการทําความรู้ตัวเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากคือเปลี่ยนชีวิตจากร้ายกลายมาเป็นดีได้เปลี่ยนคนที่มีความทุกข์เป็นไม่ทุกข์ไดนะ้อย่างผมเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเพราะผมมาจเจริญสติเนี่ยชีวิตผมเปลี่ยนเพราะผมมาจเจริญสติ <c oughs> จากร้ายกลา ย, ลายมาเป็นดีและไม่ใช่ว่าเป็นผมคนเดียวเดี๋ยวนี้มีอีกหลายคนที่นี่ก็มี หลายท่านที่มาพูดมาคุยที่ชมรมผู้สึว่าเขาเขามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลังจากที่เขาได้รับคําแนะนําเรื่องการจิตสติไปเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็เอาไปไปฏิบัติตามแล้วก็กลับมาพูดคุยเนี่ยอันนี้มีสภาวะดูสีหน้าแบบตาเขาสดชื่นเนี่ยดูคุณยายไหมยิ้มอีกแล้วยิ้มยิ้มแบบดูแล้วไม่เบื่ออ่ะสดชื่นเนี่ยเพราะเปลี่ยนชีวิตจาก จากร้ายกลายเป็นดีด้วยความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอย่างวันเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยคุณวิระเนี่ยเนี่ยคุณวิระเนี่ยเป็นคนที่มีความทุกข์มากเลยทุกแบบขุดไม่ขึ้นเลยนะคิดจะฆ่าตัวตายคือจะลงหลุมท่าเดียวเนี่ยเขเปิดใจกว้างฟังธรมรมะหันมาสนใจธรรมะแล้วก็เริญสติในชีวิตประจําวันกับการใช้ยุทธการทํางาน ทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบเป็นคนพิการไม่น้อยไปกว่าผมาจริงๆก็น้อยกว่านะ <c oughs> เขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้โดยการเจริญสติและชีวิตเขามากลายเป็นดีไม่ทุกนเนี่ยทุกน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยทุ ก, ก็จะหมดไป